ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกหนึ่งอะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามใกล้กรุงสาวัตถีมีพรามผู้หนึ่งชื่อปิงคละกูจชะเข้าไปเฝ้าเมื่อได้กล่าวทักทายปราศัยพอสมควรแล้วพรามนั้นจึงกราบทูลว่า พระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีคนรู้จักมากมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิอันชนหมู่มากเข้าใจกันว่าเป็นคนดีเช่นปูรณะกัสปะมัคคลิโคสารอาชิตะเกสกรัรมพลปกุทะกัจจายนะสัญชัยเวรัตบุตรและนิครนทนาตบุตร สมณพราหมทั้งหมดนั้นรู้แจ้งเห็นจริงตามปฏิญญาของตนหรือว่าไม่รู้แจ้งเห็นจริงเลยหรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยพรามข้อที่สมณะทั้งหมดนั้นรู้แจ้งเห็นจริงตามปฏิญญาของตนหรือไม่รู้แจ้งเห็นจริงเลยเป็นต้นนั้นจงยกไว้ พราจักแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงตั้งใจฟังให้ดีเถิดเมื่อพรามทูลรับคำแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนพรามมีข้ออุปมาว่าบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้มีแก่นยืนต้นอยู่ละเลยแก่นกับพีเปลือก และสเก็ดไม้ซะตัดเอากิ่งและใบไม้ไปด้วยสาคัญว่าเป็นแก่นคนที่รู้เรื่องดีเห็นเข้าก็จะพึงกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกะพีเปลือกสเก็ดกิ่งและใบไม้เมื่อต้องการแก่นไม้จึงละเลยแก่นเป็นต้นตัดเอาแต่กิ่งและใบไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่น ทั้งจะไม่ได้รับประโยชน์จากกิ่งและใบไม้นั้นด้วยมีอุปมาอื่นนีกบุรุษต้องการแก่นไม้ก็ถากสเก็ดไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นหรือถากเปลือกไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นหรือถากกระพีไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นก็จะพึงถูกหาว่าไม่รู้จักแก่นไม้เป็นต้น และไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ถากไปนั้นเช่นเดียวกันอีกอุปมาหนึ่งบุรุษต้องการแก่นไม้ก็ตัดเอาแต่แก่นไปด้วยรู้จักแก่นไม้คนที่รู้เรื่องดีเห็นเข้าก็จะพึงกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญนี้รู้จักแก่นกับพี้เปลือกสเก็ดกิ่งและใบไม้ต้องการแก่นไม้ก็ตัดเอาแต่แก่นไม้ ดอรู้จักแก่นไม้ทั้งจะได้รับประโยชน์จากแก่นไม้นั้นด้วยดูก่อรรามข้ออุปมาอกก็ฉันเดียวกันนั่นแหละคือกุลระบุต์บางคนในศาสนานี้มีศรัทธาออกบวชไม่ครองเรือนด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความคร่องครวญความไม่สบายกายไม่สบายใจ และความคับแค้นใจเข้าถึงตัวแล้วอันความทุกข์เข้าถึงตัวแล้วมีความทุกข์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าชันไหนหนอการทำที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหมดนี้จะปรากฏผู้นั้นออกบวชแล้วลาบสการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นก็อิ่มใจเต็มความปรารถนาเพราะลาบสการะและชื่อเสียงนั้น ว่าเราเป็นผู้มีลาบสการะชื่อเสียงส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ไม่มีใครรู้จักเป็นผู้มีศักดาน้อยมีคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าลาบสการะและชื่อเสียงก็ไม่ปลูกความพอใจไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละลวมดูก่อนพราม เรากล่าวบุคคล น, นี้ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นกับพีเหลือกและสะเก็ดซ่ตัดเอากิ่งละใบไปด้วยสําคัญว่าเป็นแก่นฉะนั้นอันหนึ่งบุคคลบางคนออกบวชมีลาบสการะชื่อเสียงเกิดขึ้นแต่ก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มปรารถนาด้วยลาบสการะชื่อเสียงนั้น ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะสิ่งนั้นทั้งยังปลูกความพอใจพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าลาบสกราะระชื่อเสียงนั้นไม่มีความประพฤติย่อหย่อนละหล้วมผู้นั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยศีลก็อิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยศีลสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศีล น, นั้นยกตนเองข่มผู้อื่นเพราะศีลสัมปทานั้นว่า เราเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าศีละสัมปทาก็ไม่ปลูกความพอใจไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมดูก่อนพรามเรากล่าวบุคคล น, นี้ ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นกับนี้และเปลือกซะถากเอาสะเก็ดไปด้วยสําคัญว่าเป็นแก่นฉะนั้นอนหนึ่งบุคคลบางคนออกบวชมีลาบสการะชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มปรารถนาด้วยลาบสการะชื่อเสียงนั้นประพฤติสมบูรณ์ด้วยศีลก็อิ่มใจ แต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยศีลสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเป็นต้นเพราะศีลสัมปทานั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าศีลสัมปทานั้นก็ปลูกความพอใจพยายามเพื่อทําให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆไม่มีความประพฤติย่อหย่อนละล้วมผู้นั้นได้ความบริสุทธิ์ด้วยสมาธิ คือความตั้งมั่นหรือความสงบแห่งจิตก็อิ่มใจเต็มปราธนาด้วยสมาธิสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยสมาธินั้นยกตนเองคมผู้อื่นเพราะสมาธิสัมปทานั้นว่าเราเป็นผู้ตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดแล้ว คุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าปราณีตกว่าสมาธิสัมปทานั้นก็ไม่ปลูกความพอใจไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมดูก่อนพรามเรากล่าวบุคคล น, นี้ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นและกะีพระถาเอาเปลือกไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นฉะนั้น อับุคคลบางคนออกบวชมีลาบสักการะชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มปรารถนาด้วยลาบสักการะชื่อเสียงนั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยศีลก็อิ่มใจแต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยศีลและสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิก็อิ่มใจแต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยสมาธินั้นไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่นเพราะสมาธิสัมปทานั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าปราณีตกว่าสมาธิสัมปทาก็ปลูกความพอใจพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆไม่เป็นผู้มีความประพฤติย่อห ย, ย่อนละหล้วมผู้นั้นได้ญาณทัศนะคือความเห็นด้วยญาณหรือปัญญาก็อิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยญาณทัศนหรือปัญญานั้น ยกตนเองข่มผู้อื่นเพราะยานทัศนะนั้นว่าเราอยู่อย่างรู้เห็นส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้อยู่อย่างไม่รู้ไม่เห็นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าปรานีตกว่ายานทัศนะก็ไม่ปลูกความพอใจไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละล้วมดูก่อนครามเรากล่าวบุคคล น, นี้ ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นเสะถากเอากับผีไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นฉะนั้นอันหนึ่งบุคคลบางคนออกบวชมีลาบสักการะชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มปรารถนาด้วยลาบสักการะชื่อเสียงนั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิก็อิ่มใจ แต่เม่เต็มปรารถนาด้วยสมาธิสัมปทาหรือความสมบูรณ์ด้วยสมาธินั้นได้ญาณทัศนะหรือปัญญาก็อิ่มใจแต่เม่เต็มปรารถนาด้วยญาณทัศนะนั้นไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะญาณทัศนะนั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าปราณีกว่าญาณทัศนะก็ปลูกความพอใจพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆ ไม่มีความประพฤติย่อหย่อนละล้วมดูก่อนพรามธรรมะอะไรบ้างที่ยิ่งกว่าประนีตกว่ายาทัศนะดูก่อนพรามภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งเข้าทุติยะฌานคือฌานที่สองเข้าตติยะฌานคือฌานที่สามเข้าจตุตถะฌานคือฌานที่สี่ เข้าอากาศสานัญจายตนะคืออรูปฌานกำหนดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์เข้าวิญญาญใาจยตนะคืออรูปฌานกำหนดวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์เข้าอากินจัญญายตนะคืออรูปฌานกำหนดว่าไม่มีอะไรแม้แต่นิดหน่อยเข้าเนวสัญญาณสัญญายตนะคืออรูปฌาน ที่มีสัญญาความจําได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เข้าสัญญาเวทยายตนิโรธคือสมาบัตชั้นสูงในพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อเข้าแล้วทําให้ดับสัญญาความจําได้หมายรู้และเวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกขหรือไม่ทุกขไม่สุขได้อาสวะของภิกษุนั้นสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา คุณธรรมเหล่านี้แหละที่ยิ่งกว่าประนีตกว่ายาณทัศนะดูก่อนพรามเรากล่าวบุคคล น, นี้ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้ก็ตัดเอาแต่แก่นไม้ไปฉะนั้นด้วยประการชนนี้แหละพรามพระมรรจานี้ไม่ใช่มีลาบสกรารชื่อเสียงเป็นอานิสงไม่ใช่มีความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอานิสง ไม่ใช่มีความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์ไม่ใช่มียานัศสนะเป็นอานิสงส์แต่ความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกำเริบอันใดรมจารย์นี้มีความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกำเริบนั้นแหละเป็นที่ต้องการนั้นเป็นแก่นสารนั้นเป็นที่สุดโดยรอบเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ ปิงคลกะกลวจัดฉพรามกราบทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนไตรตลอดชีวิตข้อความจากจุลสาโรปมสูตรสรุปความ 1. ลาบสักร ะ, ระชื่อเสียงเปรียบเหมือนกิ่งไม้ใบไม้ 2. ความสมบูรณ์ด้วยศีลเปรียบเหมือนสะเก็ดไม้ 3. ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเปรียบเหมือนเปลือกไม้ 4. ญาณทัศนะหรือปัญญาเปรียบเหมือนกับอีไม้ 5. ความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกำเริบซึ่งใช้คำภาษาบาลีปุกกุปปาเจโตวิมุตติเปรียบเหมือนแก่นไม้หมายเหตุจากหนังสือ สำหรับพระสูตรนี้พรามปิงคละโกจักถามถึงครูทั้งหซึ่งเป็นเจ้าลทัทธิมีชื่อเสียงในครั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ส่งวิภาควิจารณ์จึงทรงแสดงธรรมะให้ฟังตามที่ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กว่าการวิภาควิจารณคนอื่นสำหรับคำว่าการทำที่สุดแห่งทุกข์เป็นสำนวนบาลีหมายถึงกาจัดทุกได้หมด